ขณะที่ฟังก็ขอให้เข้าสมาธิไปด้วยนะกำหนดดูลมหายใจของเราไปเอาสติเอาความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมากําหนดดูว่าลมหายใจที่มันกระทบจมูกของเราเนี่ยมันเข้ามันออกแต่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปกําหนดว่ามันเข้า หรือมันจะออกก็ได้กำหนดว่านี่คือลมที่มันกระทบจมูกของเราแล้วเราก็ตั้งความรู้สึกตัวของเราเอาไว้อยู่ตรงนี้ไม่ส่งความรู้สึกของเราไปทางไหนบางคนอาจจะมีคําถามอยู่ว่าฟังเทศไปด้วย ทำสมาธิไปด้วยอย่างนี้บางครั้งใจก็สงบดีบางครั้งก็รู้สึกว่าเสียงเทศเนี่ยทำลายความสงบที่มีอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะย้ำให้ให้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าเวลาฟังเทศเนี่ยขอให้ อย่าส่งจิตออกมานอกตัวขอให้ตั้งจิตของเราเนี่ยเอาไว้อยู่ภายในยังไงจึงจะเรียกว่าตั้งจิตอยู่ในภายในก็คือมีความรู้สึกความสนใจของเราเนี่ยตั้งมั่นไว้ที่ลมที่ลมหายใจของเราเวลาที่เราดูลมหายใจไปแล้ว ใจของเราก็เผลอไปเห็นความคิดบ้างไปเห็นว่านี่คือแขนเราขาเราเป็นร่างกายของเราหรือแม้แต่เสียงเทศก็ตามก็ขอให้ดึงใจเนี่ยกลับมาไว้ที่ลมหายใจเหมือนเดิมก็เลยมีคำถามอยู่ว่าเสียงเทศเนี่ยมันเป็นสิ่งธรรมะตั้งใจฟังเสียงธรรมะ มันก็จะได้อุบายได้ปัญญาได้ความเข้าใจแต่ถ้าเราไม่สนใจในเสียงเทศเลยแล้วเราจะฟังเทศไปทำไมสู่ปิดเทศแล้วก็มาทำความสงบดูลมหายใจไปเรื่อยๆก็น่าจะดีกว่าเพราะดูแล้วก็ไม่ต่างกันมีเสียงเทศเราก็ไม่สนใจไม่มีเสียงเทศ เราก็ดูลมเหมือนกันก็อยากจะบอกว่าเวลาที่เราเปิดเทศหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ฟังเทศแล้วเราก็เข้าสมาธิเวลาที่เราเผลอเนี่ยส่วนมากมันก็เผลอไปทางความคิดแล้วก็เผลอออกมาทางได้ยินนี่แหละซะส่วนมากเวลาเราเผลอมาทางได้ยินเนี่ย เสียงเทศมันก็จะเป็นตัวเตือนทำให้จิตเราเนี่ยระลึกได้ว่านี่นะเรากำลังเผลออยู่แต่ถ้าเราเข้าสมาธิอย่างเดียวไม่ได้เปิดเทศเนี่ยเวลาเราเผลอเนี่ยพูดง่ายก็คือเครื่องที่จะคอยช่วยเตือนว่าเราเผลอแล้วเนี่ยก็น้อยลงแล้วอีกอย่างหนึง่งเสียงเทศกับเสียงต่างๆทั่วไปเนี่ย มันก็เป็นเครื่องเตือนได้เหมือนกันทําไมจึงจําเป็นต้องเป็นสิ่งเทศถ้าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะใช้คําว่าเทศเนี่ยมันเข้าหูแล้วก็ลงไปสู่ใจความสงบที่เรามีเนี่ยมันจะทําให้เทศที่มันเข้าหูเราเนี่ยผ่านเราไปถึงใจของเราย้ำว่าไม่ใช่ไปถึงสมองแล้วก็ลงไปที่ใจนะก็คือว่า ทำความสงบตั้งความสงบไว้เทเสที่มันเข้าไปเนี่ยเข้าทางหูแล้วก็ลงไปที่ใจมีความซาบซึ้งเกิดขึ้นในใจกระแสของธรรมที่ท่านแสดงมันก็ไหลลไมไปสู่ใจผิดกับเสียงอื่นเสียงดนตรีเสียงคนคุยกันเวลาเราได้ยินเสียงดนตรีเสียงคนคุยกันเนี่ยกระบวนการของจิตของเราเนี่ยมันก็จะเกิด สัญญาความจำว่านี่คือเสียงอะไรพอจำได้ว่าเสียงอะไรสิ่งที่มันตามมาก็คือสัญญาอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาว่าเสียงนี้มันมีความผูกพันยังไงเกิดขึ้นมีความทรงจำอะไรเกิดขึ้นกับเสียงเหล่านี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเรากำลังทาสมาธิอยู่แล้วเราก็ได้ยินเสียงเพลง ซึ่งเป็นเพลงที่เรารู้จักดีในสมัยอดีตพอเราได้ยินเนี่ยไม่ต้องครบทอนหรอกอาจจะแค่ 2-3 สตัวโน้ตมันก็ทำให้สัญญาเก่าความทรงจำเก่าๆในสมัยอดีตหลั่งไหลออกมาแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทานอีกใจเราก็จะเปลือยออกจากลม ไปยินดีพอใจกับสัญญาอารมณ์ที่มันขึ้นมาถ้ามันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็กลายเป็นความปรุงแต่งต่อยอดออกไปเรื่องราวสมัยนั้นเป็นอย่างนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นความยินดีความเสียใจในตอนนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ส่งจิตของเราเพลินไปในอดีตแล้วก็ ทำให้สู์เสียความสงบที่มันเกิดขึ้นไปในใจใจเราก็ไม่อยู่กับลมหายใจไม่อยู่กับเหตุของการทำความสงบให้มันเกิดขึ้นกับลมหายใจแต่ผิดกับเสียงเทศเสียงเทศเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความสงบระงับอยู่แล้วท่านเทศเพื่อที่จะให้ใจเราเนี่ยได้สงบจากสิ่งรบกวนต่างๆให้ใจเรามีอารมณ์เป็นหนึ่ง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังเสียงเทศเนี่ยสัญญาอารมณ์ของการที่เราได้ยินเสียงเทศอันนี้มันก็จะมีสัญญาอารมณ์เกิดขึ้นว่าเสียงอันนี้เป็นไปเพื่อความสงบระ ง, งับเป็นไปเพื่อทำให้สัมมาสติเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อที่เราจะสำรวมระวังในเสียง ในสติที่มันเพลิดออไปเพราะฉนั้นเสียงก็จะต่างกันอย่างนี้แต่ถ้าใครฟังไปแล้วจิตก็ไหลเพลิดเพลินไปตามเสียงว่าเนื้อหาที่ท่านเทศเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความสงบที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลง ลดน้อยถอยลงพอลดน้อยถอยลงยังปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปกับเสียงเสียงหรือเนื้อหาเนี่ยที่ท่านกำลังว่าไปพิจารณาไปให้เราได้รู้ได้เข้าใจในอุบายพอความสงบเราหมดปุ๊บเนี่ยแทนที่มันจะเป็นการเข้าใจมันกลับกลายเป็นทำความฟุ้งซ่านรำคาญเกิดขึ้น เพราะว่าจิตเรามันสูญเสียความสงบความตั้งมั่นไปแล้วพอเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มารู้ตัวว่าอุย้ยความสงบของเราเนี่ยมันน้อยไปแล้วหรือมันหมดไปแล้วทีนี้อะไรเกิดขึ้นล่ะความอยากก็เกิดขึ้นแทนอยากที่จะย้อนจิตของเรากลับให้ให้เข้าไปสู่ความสงบเหมือนเดิมพอ อยากเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าสมาธิมันก็มีอยากขวางหน้าแล้วแทนที่เราเห็นลมจิตเราจะอยู่กับลมอยากตอนนี้เนี่ยมันดึงจิตของเราไว้บังจิตของเราไว้ให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับอยากแต่มันก็หลอกเรานะว่านี่เรากำลังดูลมอยู่เราเห็นลมอยู่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติที่พี่นายอย่างเรียเอเนี่ยเราก็จะเห็นใจว่าใจเราอยู่กับอยากไม่ใช่อยู่กับลมนะเพราะนั้นบางคนก็จะรู้สึกว่าโอยเราดูลมอยู่ทำไมมันไม่สงบเสียงเทศก็คอยกวนอยู่นั่นแหละเราจะทำให้ใจสงบอยู่ทำไมมันไม่สงบสักทีหนึ่งฟังเสียงเทศก็แล้วยิ่งฟังยิ่งฟังก็ยิ่งไม่สงบ กระโดดอำนาจความอยากตัวนี้แหละมันบทบังไปหมดแหละให้ใจมัน ร, อร้อนรุ่มร้อนอยู่กับความอยากตัวนี้เพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คืออย่าไปใส่ใจกับความดีหรือความเสื่อมที่มันเกิดขึ้นสลัดมันออกไปจากใจแล้วก็อะไรที่ไม่ใช่เหี้ยของความสงบก็ละ ก็ปล่อยไปเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ว่าไปแต่ตอนต้นก็คือแม้จะเสียงเทศเนี่ยเราก็เว้นไว้ปล่อยไว้ก่อนย้อนจิตกลับมาทำความสนใจทำความยินดีในการที่จิตเราจะตั้งมั่นดูรู้ลมอยู่แต่ต้องคอยระวังความอยากที่มันจะกลับมา คอยเสียมเราคอยทําร้ายใจของเราอีกว่าเป็นไงล่ะเราย้อนกลับมาดูลมแล้วเนี่ยเป็นยังไงได้นิดหนึ่งแล้วนะนี่ความสงบเดี๋ยวจะเกิดขึ้นอีกแล้วเท่านี้แหละความสงบมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะมันคอยทําลายคอยเสียมเราคอยทําลายเราให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะ มีจิตตั้งมั่นอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจได้นอกจากตัวความอยากความรู้สึกอยากที่อยู่ในใจจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะพอสังเกตได้ว่าความอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะก็คือตัวสังขารนี่แหละคือเสียงกระซิบในหูเสียงกระซิบในใจของเราบางครั้งมันก็กระซิบเป็นเสียงที่เป็นในแนวเทศในแนวธรรมะ ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เรากำลังดูลมอยู่นะเป็นยังไงล่ะความสงบก็เริ่มที่จะมีมากขึ้นแล้วแล้วเราควรจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ต่อไปเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นตัวนี้แหละเราต้องคอยระวังให้ดีถ้าเราคอยส่งใจตามันไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับเรามีน้ำอยู่ในหม้อเนี่ยไอตัวนี้มันคือรอยรั่วของหม้อ ทำให้น้ำเราค่อยๆซึมออกไหลออกจากหมอ้อแน่นอนเรายังเติมน้ำอยู่ระดับน้ำมันก็ยังถ้าเติมมากเติมเร็วมันก็ยังดูเพิ่มขึ้นนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือมีส่วนที่มันไหลออกแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันไหลออกไปจากจุดนี้แหละนะพอเราไม่เติม มันก็ค่อยๆซึมออกมามาดูดอีกทีนึ่งเอา้าหายไปแล้วพร่องไปเยอะหรือหมดไปนะตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็ต้องคอยระวังเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือเรามีหน้าที่คือตั้งสติให้มันเกิดขึ้นอยู่กับลมหายใจแค่นั้นแหละนะบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันน้อยไปไหมล่ะทำแค่นี้มันจะพอหรือ ทำแค่นี้มันจะทำให้มันเป็นสมาธิได้หรือการที่เราจะค้นหาทางลัดมันมันเป็นไปเพื่อไม่ใช่ทางลัพดพระเจ้าเนี่ยตรัสบอกเส้นทางที่มันตรงที่สุดแล้วเพรา ะ, ะนั้นเราลองย้อนกลับมาดูเบื้องตอนน้นว่าท่านสอนอะไรเบื้องต้นท่านก็บอกว่า ให้นั่งคู่ขาก็คือนั่งขัดสมะนี่แหละตั้งกายให้ตรงแล้วก็ตํารงจิตตํารงสติดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าคือปริสัมมุขขังนี่แหละเฉพาะหน้าเฉพาะหน้ายังไงเรามาดูลมเนี่ยมันก็อยู่เฉพาะหน้าอยู่แล้วเราคอยมีสติระลึกรู้อยู่ตรงนี้แหละเห็นลมไปด้วยสติเราก็ตั้งอยู่เฉพาะหน้าของเรานี่แหละแล้วต่อไปท่านสอนอะไรล่ะ แฟนก็สอนว่าโซสโตวะอัซามีติปชานาติคือเป็นผู้มีสติหายใจออกอยู่ก็รู้ว่าหายใจออกคำว่ารู้เนี่ยมันคือรู้ว่าอย่างเดียวไม่ได้ไปคิดพิจารณาอะไรถ้าคำว่าปชานาติเนี่ย มันรู้อย่างเดียวแต่ไม่ได้เอาไปพิจณานะพิจานานี่ท่านใช้สับคนละตัวกันเพราะฉะนั้นก็คือมีสติเห็นลมแล้วก็รู้มันไม่ต้องไปคิดพิจารณาใครครูอะไรใจเราจึงจะมีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจได้รู้อยู่แค่นี้แหละอะไรที่ทำให้รู้เรามันสั้สายไปรู้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ลมก็ตัดทิ้ง มันก็อยู่ในทางที่ท่านบอกไว้แต่เดิมอย่าไปใส่ใจมันแล้วยังไงล่ะแล้วถ้ามันเผลอไปรู้ว่าเรากาลังนั่งอยู่นี่แขนเรานี่ขาเราก็ก็รู้แค่นั้นพออย่าไปต่อมันอย่าไปเติมมันซึ่งตรงนี้มันเป็นอยู่อีกหมวดหนึ่งท่านเรียกว่าอิติยาบทประภะนะก็ ถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านก็อย่างเช่นท่านตรัสว่าคชั่นโตวาคาช่ามีติปชานาติเมื่อเดินเมื่อดำเนินเมื่อไปนะก็รู้ว่าเรากำลังไปแค่นี้เองรู้ว่ากำลังเดินเมื่อยืนก็รู้ว่าเรายืนแค่นี้เอง ไม่ได้รู้ว่ า, อ, าอะไรที่มันปรุงแต่งไปมากกว่านั้นอย่างเช่นเรานั่งอยู่เรารู้สึกว่าเออนี่เรารกลังนั่งนะก็พอแล้วแล้วเราก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจอีกเหมือนเดิมไม่ต้องไปนั่งโอ้ตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นโอ้ยเราก็ลังอย่างนี้อย่างนี้ไปคิดอย่างนี้งี้เดี๋ยวเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อา้าวส่วนเกินแล้วรู้ว่านั่งพอแล้วก็กลับมาที่มีสตดิดูลมหายใจ ไปนั้นมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างอาณาปานสติกับอริยบท บ, บพภะนี่แหละแต่ทีนี้ถ้าใครมีความสงบที่มันเกิดขึ้นดีแล้วมีกำลังแล้วครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่าให้เอาไปพิจารณาแล้วมันต่างจากตั้งรู้อย่างนั้นยังไงท่านก็ใช้ศัพท์คนละตัวกันนะน่าจะใช้คำว่าปัจเจเวคณนะซึ่ง มันก็จะไปพ้องอยู่ตรงว่าพอเราพิจารณาเนี่ยก็คือทีนี้มันจะมีความตรึกอยู่ในใจนะตรึกเอาความสงบตอนนั้นแหละมาพิจรารณาพิจารณาดูใ น, นจิตว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเป็นสิ่งปฏิกูลหรือนี่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาฏตา อันนี้คือในขั้นตอนของการพยายาิจารณาแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือกำลังความสงบต้องมีก่อนจะไปคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นคิดคิดคิดคิดคคแล้วมันจะสงบใจมันจะสบายแล้วมันจะเข้าใจอันนี้เป็นไปไม่ได้ไม่อยู่ในฐานะที่มันจะทาได้ ในโอวาทปาติโมกสูตรเนี oh ่ยท่านก็ตรัสไว้เป็นเป็นคีย์ให้เราอยู่แล้วสมาธิปริภาวิตาปัญญามหผลพาโหติมหานิสังซาปัญญาอันสมาธิอบรมดีแล้วมีผลมากมีอนิสงส์มากปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมเดวะอาสเวะเหวี่ยมุจติ จิตที่ปัญญาอบรมดีแล้วเนี่ยลุดพ้นจากอสว ก, กิเลตทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นมันก็เห็นได้อยู่แล้วว่ากําลังของความสงบมันสําคัญถ้าเรายิ่งมีความสงบปัญญาเราก็ยิ่งขมกล้าบางคนบอกว่าอไม่คิดแล้วมันจะเป็นปัญญาได้ไหมตอบว่าได้คิดก็เป็นปัญญาได้แต่มันก็จะเป็นในส่วน หยาบส่วนละเอียดที่มันไม่เท่ากันตัวหยาบๆยากิเยดใหญ่ๆเราก็ต้องคิดพิจารณาไตรตรองอย่างเช่นวันนี้ไปเจอคนโอ้ถูกใจมากคนนี้หล่อมากคนนี้สวยมากเกิดมีความติดใจมาเอาล้วก็ต้องอคนนี้มันแก่เป็นไหมอ่ะตอนแก่มันหน้าตามันจะเป็นยังไงหรือไม่เราก็ ดูว่าข้างในเขามีอะไรเปิดหนังเปิดออกมาเห็นเลือดเห็นเนื้อมันยังสวยไหม ย, ยังหลอ่อไหมไม่อาบน้ำา5วันสวันมันยังยังจะดีอย่างที่เราเห็นตอนนี้ไหมแน่นอนตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราวางได้ส่วนหนึ่งส่วนหยาบความปรุงหยับหยาบความรู้สึกรุนแรงที่มันเคยมีมันจะสงบระงรับลงไปแต่มันคงยังไม่หมดหรอกมันได้แค่บรรเทาไป แต่พอมันไม่หมดเนี่ยมันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นมาอีกทีนี้แหละปัญญาตัวละเอียดเนี่ยมันจำเป็นแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องคิดแล้วขอให้เฝ้ารู้เฝ้ารู้อาการของจิตของเราเนี่ยว่ามันเริ่มที่จะส่งไปหาความรู้สึกรักใคร่ยินดีพอใจตัวนี้แหละเราก็ เอากำลังความสงบที่มีสติที่เรามีชำระออกไปโดยที่รักษาใจของเราไว้ดึงกลับมาวที่ลมหายใจใจเราก็จะสงบไปสงบจากกิเลส ท, ที่มันพลุ่งพล่านขึ้นมาราคะที่มันพลุ่งพล่านขึ้นมาคอยเฝ้าระวังอยู่อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆมันก็จะเห็นโทษของราคะที่มันมีอยู่ในใจ เราก็จะเห็นไปตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายนอกของเขาเนี่มันเท่ากันเท่ากันกับคนอื่นด้วยเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแต่สิ่งที่เราเราเนี่แหละเป็นตัวทำตัวเองเป็นคนทาตัวเองที่ปรุงแต่งราคะเนี่ยมันเกิดจากไม่ใช่เขาแต่เกิดจากการปรุงแต่งของเราเองปรุงแต่งในใจของเราเนี่ยแหละว่าเอออันนี้อันนี้อันนี้มันสวย เรานี่ก็เห็นและวเห็นต้นตอนมันแล้วก็มากำจัดตัวนี้กาจัดความปรุงแต่งราคะที่มันมีอยู่ในจิตของเราคอยกาจัดมันอยู่เรื่อยๆคอยเฝ้าระวังอยู่เรื่อยๆเราก็จะค่อยๆชาระมันออกไปเพราะฉะนั้นปัญญาก็จะมีทั้งหยาบทั้งละเอียด ที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะวกกลับไปที่ตอนตอน้นตรงที่ว่าถ้าใครฟังเทศแล้วยังไม่ได้ความสงบเนี่ยก็ขอให้แน่วตั้งมั่นอยู่กับเหตุของความสงบคือมีสติอยู่ที่ลมหายใจให้ได้เสียงเทศจะมีอยู่ก็ตามก็อย่าเพิ่งใส่ใจ เอาเป็นแค่จิตของเราได้ยินเสียงเทศเราก็ย้อนกลับไปที่ลมหายใจแต่ถ้าสงบแล้วเราก็เอาตรองไปตรองไปตรองไปแต่เมื่อใดที่เริ่มรู้สึกถึงความไม่สงบเกิดขึ้นในใจก็รีบย้อนใจกลับมาปล่อยให้หมดให้มาอยู่กับที่ลมหายใจอย่างเดียวทำความสงบให้เกิดขึ้นให้ได้ส่วนถ้ามันสงบมากแนวเป็นหนึ่งลงไปได้ยินเสียงเทศบ้างไม่ได้ยินเสียงเทศบ้าง ก็ไม่เป็นไดเพราะกระแสของธรรมะอย่างที่ครูบาอาจารย์จะพูดเสมอๆว่าคือเข้าหูผ่านไปที่ใจเลยก็ยิ่งทำให้ใจเราสงบระ ง, งับลงไปแล้วเวลาเราเลิกนั่งคำเทศที่มันติดค้างอยู่ในใจอันนั้นก็ถือว่าเป็นสมบัติเป็นผลพลอยได้เป็นอุบายที่จิตเราได้ได้รับเอาไว้ ไม่ต้องจำเป็นเรื่องราวทั้งหมดก็ได้ขออะไรที่มันเป็นเด็ดๆที่มันติดอยู่ในใจของเราแล้วเวลาเราเกิดปัญหาเกิดข้อสอบที่มันผ่านเข้ามาที่เราจะต้องแก้เนี่ยเทศเหล่านั้นนี่มันจะขึ้นมาเตือนเราขึ้นมาเตือนเราแล้วเราก็ได้นำอุบายเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ได้เพราะนั้นอยากจะย้ำว่าความสงบปเป็นสิ่งสำคัญต้องพยาหมัน มีสติย้อนกลับมาที่ลมหายใจอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะมีการงานมีหน้าที่ที่จะต้องทําในชีวิตประจําวันก็ต้องพยายามดูอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจเราไปอยู่ที่สิ่งภายนอกหมดเพราะฉะนั้นเราต้องบาลานซ์ใช่ได้ระหว่างภายนอกกับภายในมันทําคู่กันได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้พยายามรักษาจิต รักษาความสงบของจิตให้ได้เราจะได้เป็นผู้ที่ทำการงานมีชีวิตยอยู่ประจำวันและอยากมีความสุข